بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل مع أخ الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الثاني عشر ويحتوي على صور الروم لقمان السجدة الأحزاب سبأ فاطر و ي س ي ن ن <تصفيق> َ ن ا ب و ت ا ل ر و م บทอารุมเป็นบทมัคคียามี60องค์การมีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทมัคคียะอื่นๆที่ความสนใจต่อหลักการศรัทธาของอิสลามโดยทั่วๆไปนั่นคือการให้ความเป็นเอกภาพต่อว่าต่อศาลและต่อการฟื้นคืนชีพและการตอแบแทนบทนี้ได้เริ่มโดยการกล่าวถึงเหตุการณ์เร้นลับครั้งสำคัญซึ่งอัลกุรอานได้กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดขึ้นนั่นก็คือชัยชนะของพวกโรมัน มีต่อพวกเปอร์เซียในการทําสงครามระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้แล้วเหตุการณ์นั้นก็ได้เกิดขึ้นตามที่อัลกุรอานได้บอกไว้ฉังนั้นการคาดหมายจึงได้ประจักษ์ขึ้นจริงอันนี้นับได้ว่าเป็นหลักฐานยืนยันอย่างชัดแจ้งถึงความสักธรรมของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลย์วะสัลลัมตามที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์และนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของอัลกุรอาน วันนี้ได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของการต่อสู้กันระหว่างพรรคอะลลอฮ์มานกับพรรคชัยตอนคือระหว่างบาวของอะลลอฮ์กับสมุนของชัยตอนซึ่งเป็นการต่อสู้ที่มีมาแต่เด็กดมันแล้วและยังต้องมีต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีสัจธรรมกับความเท็จความดีกับความชั่วและตราบใดที่ชัยตอนยังคงรวบรวมพรกพพวกของมันเพื่อดับกระสุนของอะลลอฮ์ และต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนของบรรดารอซูลอลไลยิสละองค์การหลายองค์การได้ยืนยันเป็นหลักฐานถึงชัยชนะของศัจธรรมที่มีเนื้อความเผ็ดตลอดเวลาในหลายยุคหลายสมัยนั่นคือแนวทางของอัลลอ์ซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอันขาดวั น, นี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและวันเกี่ยมากล่าวถึงชะตากรรมอเลร้ายของพวกปฏิเสธศรัทธา โดยที่บรรดาผู้ศรัทธาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ด้วยความปลื้มปิติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะอยู่ในนรกด้วยความเศร้าโศกเสียใจนั่นคือบั้นปลายที่แน่นอนของคนดีและคนชั่วหลังจากนั้นบทนั้นยังกล่าวถึงภาพลักของจักรวรรที่แสดงให้เห็นถึงอานุภาพของอรรถและความเป็นเอกภาพของพระองค์เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งพระผู้ทรงเอกา บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวกูรชโดยที่สัญญาณต่างๆและการตักเตือนไม่เกิดผลประโยชนอ์อนไนแก่พวกเขาเลยแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณและหลักฐานอันชัดแจ้งแลว้วก็ตามพวกเขาไม่ได้ใคร่ควรและจะยึดถือเป็นบทเรียนเพราะพวกเขาเปรียบเสมือนคนตายซึ่งไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งหมายที่จะปลอบใจท่านรอสุ ล, สส ล, อ ล, สลุลลอฮลวลลอฮซ พระท่านกำลังเผชิญกับการทำร้ายของพวกบูชาชเวลิและเพื่อท่านอดทนไปจนกว่าชัยชนะจะมาถึงบทอารุมถูกขนานชื่อเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการราลึกถึงเหตุการณ์ปฏิหาริย์สำคัญในครั้งนั้นและยังเป็นการชี้แนะเห็นถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในอัลกุรอานอีกด้วยด้วยพระนามของอัลลอ ألف لام ميم. ألف لام ميم. غلبت القوم في أجن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في ض ي س ي َ لله الأمر من قبل ومن بعد. ว ي ي ز ز พวกโรมันถูกพิชิตแล้วในดินแดนอันใกลน้นี้แต่หลังจากการปราชาของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพระบัญชานั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งก่อนและหลังชัยชนะ และในวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอววะอัลลิาาดกนนอั่นคือสัญญาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดเบี้วต่อสัญญาของพระองค์แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้ พวกเขารู้แต่เพียงผิวเผินในเรื่องการดำรงชีวิตในโลกนี้ และพวกเขาไม่คำนึงถึงการมีชีวิตอยู่ในปรโลกพวกเขาไม่ได้ใคร่ครวญในตัวของพวกเขาดอกหรือว่า อัลลอฮไม่ได้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อความจริงและเวลาที่กำหนดไว้และแท้จริงมนุษย์ส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระผู้อภิบาลของพวกเขา كانوا أشد منهم قوته و أ ث ا ر ا ل أ ر ض وعمروها أثر مما عمروها وجاتهم ء ر س ل ه م بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكالميلي <تصفيق> فاندين تيهو طيبون ترون لقر แล้วพิจารณาดูว่าบรรปลายของคนในยุคก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดเขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาพวกเขานั้นขุดครวนดินและก่อสร้างเขหสถานมากกว่าพวกเขาก่อสร้างาและบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาก็ได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงอาธรรมต่อพวกเขาแต่ถ้าว่าพวกเขาตังหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง มมรลลดดบับผลบปลายของผู้ที่กระทำความชั่วนั้นก็คือความชั่วโดยที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ แล้วพวกเขาเจอเงาไหมอัลลอฮฺยบดเจอลัมมาย่วยจุมมาิลฮตรนอัลลอฮทรงเริ่มการบังเกิดมนุษย์แล้วทรงให้มันกลับมาเกิดอีกแล้วพวกเจ้าจะถูกนากลับไปอย่างไร ในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นพวกก่ออาญากรรมก็จะหมดหวังและจะไม่มีผู้ใดาจากบรรดาภาทีของพวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาได้ และพวกเขาก็เป็นผู้ปฏิเสธบรรดาภาคีของพวกเขาด้วยและในวันที่วาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นวันนั้นพวกเขาจะแยกออกจากกันสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ประกอบคุณงามความดีพวกเขาก็จะยินดีอยู่ในสวนสวรรค์ และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และการพบเราในวันพระโลกชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้อยู่ในการลงโทษอย่างถาวรดังนั้นมหาบริสุทธิ์แด่ Allah เมื่อพวกเจ้าย่างเขา้าสู่ยามเย็นและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามเช้า การสรรเสริญบรบนาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระงและในยามพลบค่าและเมื่อพวกเจ้าย่างเข้าสู่ยามายรมรณะพระองค์ทรงให้มีสิ่งมีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต และทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งมีชีวิตและทรงให้พื้นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากการแห้งแล้งของมันและเช่นนั้นแหละพวกเจ้าจะถูกนําออกมาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดิน และพวกเจ้าเป็นมนุษย์แพร่กระจายต่อไปและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือทรงสร้างผู้ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้าเองเพื่อพวกเจ้าจะได้มีความสุขกับหนาและทรงให้มีความรักใคร่และเมตตาระหว่างพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใค ร, าาร่คร ว, วคม และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างภาษาพูดของพวกเจ้าและผิวพรร์ของพวกเจ้าแท้จริงในการนี้แน่นอน เญญลและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการหลับนอนของพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวัน และการที่พวกเจ้าแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้รับฝอา และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของโลงคือทรงให้พวกเจ้าเห็นสายฟ้าแลบเป็นที่หวาดกลัวและเป็นความหวังและทรงหลั่งน้ําลงมาจากฟวาฟฟ้าและทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาด้วยน้ําฝนนั้นหลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาิิตร มนาและส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือชั้นฟ้าและแผ่นดินมั่นคงอยู่ตามพระบัญชาของพระองค์ทั้งเมื่อพระองค์ทรงเรียกร้องพวกเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ออกจากแผ่นดินเมื่อนั้นพวกเจ้าก็จะออกมากัน ولهما السماوات والأرض كل له قادة. وله الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهو عليه. ز ز และพระองค์คือผู้ทรงเริ่มแรกในการสร้างและทรงให้มันกลับขึ้นมาอีกแต่มันก็ง่ายยิ่งสำหรับพระองค์และคุณละลักษณะอันสูทรงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นบินเป็นกรรมสิทธิของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญ ر บอّบ ل َ ك ُ م هل لهم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون พระองค์ทรงยกอุทาหรแก่พวกเจ้าที่มาจากตัวของพวกเจ้าเองจะมีบั้งไหมสำหรับพวกเจ้าที่จะยอมให้ในหมู่ผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองเบาท่ามีหุ้นส่วนในสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้ากับพวกเขามามีส่วนเท่ากันโดยพวกเจ้ากลัวพวกเขาเหมือนกับการกลัวของพวกเจ้าด้วยกันเองเช่นนั้นแหละ เราจะแจกแกงสัญญาณทั cat, ้งหลายแก่กลุ่มชนผู้ชายปัญญากล่าวเลยแต่ว่าบรรดาผู้อาจทำได้ปฏิบัติตามอารมณ์ายต่ำของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แล้วบุไดเล่าจะแนะนำ ทางนำแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงปล่อยให้เขาหลงทางไปแล้วและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือเลย。 ดังนั้นเจ้าจงเห็นหน้าของเจ้าเข้าสู่สาศาสนาที่ทแท้แทโดยธรรมชาติของอัลลอฮ์พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลละฮ์นั่นคือาศาสนาที่แทตรงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และจงยำเกรงพระองค์และจงปฏิบัติน้ำหมาก โดยเป็นผู้ผิดหน้ากลับไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาธ์คือในหมู่ผู้แบ่งแยกศาสนาของพวกเขาออกเป็นนิกายต่างๆและแต่และหมู่คณะก็พอใจต่อ สิ่งที่พวกเขามีอมบหบุมมอเดมิหมากันอเดมมิหิรและเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์พวกเขาก็วิวอนขอต่อพระผู้อธิบาลของพวกเขาโดยเป็นผู้ผินหน้ากลับไปสู่พระอุธ์ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงให้พวกเขาลิ้มรสความเมตตาจากพรนะองค์ณบัด น, นั้นกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็ตั้งพาทีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานนียมมาาอเบก็จงนเนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานให้แก่พวกเขาแล้วก็จงร่าเริงกันต่อไปเถิด และพวกเจจ้้าไดหรือว่าเราได้หลักฐานอันใดแก่เขาเพื่อมันจะได้พูดในเรื่องที่พวกเขาตั้งหาคีต่อรรกฮา และเมื่อเราแน่มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาเพราะเขาก็ดีใจตอและเมื่อความไม่ดีอันใดประสบแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาประกอบไว้แล้วพวกเขาก็หมดอะไป ي ي พวกเขามิเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้กว้างขวางซึ่งเครื่องอยังที่แค่ผู้ที่พระงทรงประสงค์และทรงให้คับแคบ แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธาดังนั้นเจ้าจงใจ่ายให้แก่ญาติสนิทซึ่งสิทธิของเขาและแก่ผู้ที่ขัดสนและผู้เดินทางนั่นแหละเป็นการยิ่ง สำหรับบรรดาผู้ปรารถน า, าพระพักของอัลลอฮ์และชวลเหล่านี้แหละเป็นผู้ประสบชัยชนะวว และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์ดอกเบี้ยเพื่อมันเพิ่มพูนในทรัพย์สินของมนุษย์มันจะไม่เพิ่มพูนนักที่อัลลอ์และสิ่งที่พวกเจ้าจ่ายไปจากอากาศโดยพวกเจ้าปรารถนาพระพักของอัลลาฮ์ชนเหล่านั้นแหละคือผู้ได้รับการตอบแทนอย่างขมิบขุนอัลลอฮฺที <S <S ่ขลักคุมทุมมรซักคุมทุมยุบิซุคุมทุมยุฮีคุม ك l l a h ที่บูสรงสร้างพวกเจ้าแล้วทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าแล้วทรงให้พวกเจ้าตายและทรงให้พวกเจ้าเป็นจะมีผู้ใดบ้างในหมู่หาทีของพวกเจ้ากระทำสักอย่างหนึ่งจากสิ่งเหล่านั้น มหาบริสุทิ์แด่พระองและโรงคทรงสูงส่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งขากันการบ่อนทำลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนึ่องด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ได้ทำไว้เพื่อที่โรงคจะให้พวกเขาได้ลิ้มรถบางส่วน ที่พวกเขาได้ทำไว้โดยหวังที่จะให้พวกเขากลับเมาจะกลับถกงต้องกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินแล้วจงพิจารณาดูว่าบรนปลายของกลุ่มชนในอดีตนั้นเป็นเช่นไร พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ตั้งผ่ากิ่งนั้นจงมุ่งหน้าของเจ้าไปเพื่อศาสนาที่ย่งทำก่อนวันหนึ่งคือวันทียามะของอัลลอฮจะมาถึงซึ่งไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ วันนั้นพวกเขาจะแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายผู้ใ ด, ดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยู่กับเขาและผู้ใดกระทำความดีพวกเขาก็เตรียมที่พักไว้สำหรับตัวของพวกเขาเองเถิดผู้ลิ เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายด้วยความโปรดปรานของพระองค์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบพวกปฏิเสธศรัทธา และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพรงคือพรงค์ส่งส่งลมมาเป็นการแจ้งข่าวดีทั้งหลายและเพื่อพรงจะส่งให้พวกเจ้าได้ลิ้มรถความเมตตาของพรง และเพื่อเรือเดินทะเลจะได้แล่นไปโดยพระบัญชาของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาจากความโปรดปรานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าไปยังกลุ่มชนของพวกเขาและเขาเหล่านั้นได้นําหลักฐานต่างๆมาให้พวกเขาแล้วดังนั้นเราได้ตอบแทนบรรดาผู้กระทำความผิดอย่างสาสมและหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา الله الذي يرسل ا ل ز ي ا ح فتثير سحبا فيبسقه في السماء ف ي ب س ط ه في السماء كيف يشاء ويجعله ك س ف ا فتعر الوجه ي خ ر ج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده เอลัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายแล้วมันได้รวมตัวกันเป็นเมฆแล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่พระองค์ทรงประสรงค์และพระองค์ทรงทําให้มันเป็นกลุ่มก้อนแล้วเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมันเมื่อมันได้ตกลงมายังผู้ที่พระองค์ทรงประสรงค์จากบวงบ่าวของพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ يُنَزَّلَ และทั้งการที่พวกเขานั้นก่อนที่ฝนจะตกลงมาแก่พวกเขาพวกเขาก็เป็นผู้หมด ل วั آ กลับไปลาอัลลอฮ ل ประหม่าจี๋ลาฮีค่อยฟื้นอัลบั بَعْدَ م َกْ ت ِ ه َ ا อดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูร่องรอยแห่งความเมตตาของอวะวาพระองค์ทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งอย่างไรแท้จริงในการนั้นแน่นอนพระองค์ย่อมเป็นผู้ทรงให้มีชีวิตแก่คนที่ตายไปแล้ว และองนั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งลหลังเราได้ส่งลมไปแล้วพวกเขาได้เห็นมันพืชผลเป็นสีเหลืองแน่นอนพวกเขาจะกลายเป็นผู้เนรคุณ หลัังจากนน้แท้จริงเจ้าจะไม่ทำให้คนตายได้ยินและเจ้าจะไม่ทำให้คนหูหนวกได้ยินการดียกร้องได้เมื่อพวกเขาเป็นผู้ผินหลังกลับบด และเจ้าก็ไม่ใช่ผู้ชี้ทาง น, นำแก่คนตาบอดหลังาจากการหลงทางของพวกเขาเจะไม่ได้ทำให้ผู้ใดได้ยินนอกจากผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา โดยที่พวกเขาเป็นผูน้นอบน้อมยอมจำนอัลลอฮผู้ีสร้างคุณจากคอแล้งจากความอเป็นความแร่ล้วทรสรงคมแขงแกความอ่อนอและทรงสรางทุกสทยงทีเาาพระ์ทรงสร้างพวกเจ้าเกิดมาในสภาพอ่อนแอ แล้วหลังจากความอ่อนแอพ ร, ระองค์ก็จะทรงทําให้มีความแข็งแรงแล้วหลังจากความแข็งแรงทรงทําให้อ่อนแอและชราภาพพระองค์ทรงสร้างจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงและพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอารา่านหนังสูอ และเมื่อวันอวสานเกิดขึ้นผูกก้กระทำผิดทั้งหลายจะสาบานว่าพวกเขาไม่ได้ความนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเช่นนั้นแหละพวกเขาถูกให้หันเหตอไป ว, ออว่อกไบ แะฮะาย์ย์วมุลบะติวลาคินะคุมคุมุมลเตอร์ร์ร์ร์ลบรรดาผู้ที่มีความรู้และศรัทธากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้าได้พำนักอยู่ต่างกำหนดของอลัลลอฮ์จนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพแต่นั้นนี่คือวันฟื้นคืนชีพแต่พวกเจ้าไม่รู้ ไมม่่่ยอออเชืิในวันนั้นการแก้ตัวของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่บรรดาผู้อธรรมแต่พวกเขาจะไม่ถูกร้องขอให้กลับเรียกกลับ และแท้จริงในอัลกุรอานนี้เราได้ยกอุทาหรนไว้ทุกอย่างสำหรับมนุษย์และหากว่าเจ้านำมาให้เขาด้วยสัญญาณแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า พวกเจ้าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นผู้หลอกลวงเท่านั้นเช่นนั้นแหละอลัลลอฮ์ส่งประทับตราบนหัวใจของบรรดาผู้ไม่ยอมรับรูคับิดอินน่าวดัลลอฮิฮักต์ต ل ا يستخفنك ดีน ي ن าย يوقنون จงอดทนต่อไปเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงสัญญาณของอัลล์นั้นเป็นจริงเสมอและอย่าให้บรรดาผู้ไม่มีความเชื่อมั่นทำให้เจ้ากังวลใจเลย